เพิ่มประกรรมฐานที่แรกให้ฟังพระกรรมฐานท่านเถิดค่าอาจารย์กรรมฐานท่านเถิดหลักทำอยู่กับใจน่ะทันไหวให้กำหนดใจไว้ให้ดีเพราะทำอยู่กับใจกันเราก็ยังไม่ไม่อยากจะเชื่อ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 จิตมันปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณนะฟังธรรมคือที่แรกเวลาฟังกันเทศจิตมันส่งไปหาท่านโน้นมันไม่ได้อยู่กับตัวท่านบอกว่าจะให้ส่งจะส่งจิตออกมาสู่ภายนอกให้ทำความรู้ไว้ภายในตัวเองทำจะเข้าไปสัมผัสเองที่จากการะแสอย่างธรรมที่ท่านแสดงไปมันก็ไม่ฟังนั้นก็ส่งออกไปโน่นไ่หาทัานเทศ ดีไม่ดีอยากจะมองดูหน้าท่านเดยมันถึงถนัดฟังเทศทําไมดูหน้าผู้เทศเลยดูปากผู้เทศรู้สึกไม่ถนักนะมีเป็นความรู้สึกตั้งเดิมแล้วเวลาฟัง น, น, นานๆนี่มันปรากฏผลขึ้นเป็นความแย่งบภายในใจในขณะที่ฟังเทศท่านเริ่มเกิดความเชื่อทำอยู่ที่ใจสมาธิทำอยู่ที่ใจแล้วนี่ เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาขณะฟังเทศท่านกิตไม่ส่งไปอื่นเลยนี้ส่งไปหาท่านก็ไม่ส่งมันเพลินกับความสงบด้เกิดความสงบเกิดความยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟังแล้วเพลินไปเรื่อยเลยทำให้เกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจนั้นถูกต้องแล้วเองเริ่มเริ่มเป็นความเชื่อขึ้นมาในขณะที่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 ผลปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจท่างนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นที่อื่นขนาดที่จิตไม่มีความสงบวุ่นวายตัวเองก็อยู่ที่ใจมีทราบว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยมีความคุ้งคลานวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆเอ๊ะทาไมวันนี้จิตไม่สบายก็ทําให้เกิดความตนใจขึ้นอยู่ในเงี้ยพยายามหาทางสงบให้ได้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 คือทำสัมผัสเป็นขนะขนะตามกระแสเสียงทันติเทศเป็นบทเป็นบาทสัมผัสต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีกค่อยๆสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟําธรรมพราะนัการทําธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ์จึงต้องตั้งจิตไว้ภายในตัวเองไม่ต้องส่งออกไปภายนอก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 แต่ไม่ร้อนเหมือนใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์เพราะอำนาจสมพิเดษเรื่องของพิเดษจะมีตั้งแต่แสดงให้เกิดความทุกข์ไปโดยลำหนับลำหนับเท่านั้นอ่านจิ่งสอนหนเห็นโทษพยายามตั้งสติพิจารณาในแง่ต่างๆด้วยความจงใจ เมื่อสติกับความรู้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลาดับการพิจารณานในแง่ต่างๆจะเป็นทางด้านปัญญาหรือแง่ไหนก็ตามต้องได้อุบายแยบพายขึ้นมาโดยลำดับอย่างท่านสอนว่าชาลาพิทุขามานำปิทุขังอริยสัจจังเขาบอกอริยสัจ์ชาติบิวขาชาาบิวข า, ช า, า, ขาชาติความเกิดเป็นทุกข์ แต่เราก็มีความเพิิดเพลินในเรื่องการเกิดเห็นลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจหลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจญาติมิตรสหายลูกหลานของญาติมิตรสหายเกิดขึ้นมาก็ดีใจไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ของเด็กที่เกิดขึ้นมาแต่ละรายรียกว่ารอดตายนั่นม า, มานั่นเลยแต่เราดูแง่ต้นมันเห็นชัดเจนกับแง่ปลายคือความตายแล้วมันก็เท่ากันจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินที่ไหนได้ พเรอดตายมันถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าไม่รอดก็ไปในขณะนั้นตายในท้องก็มีตายในขณะที่ตกคลอดออกมาก็มีเนี่ยก็เพราะความทุกข์ถึงขนาดตายมันถึงตายได้คนเราเการเกิดขึ้นมาเป็นคนอายุขนาดมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องทุกข์ถึงตายมันถึงตายได้ความทุกข์กับนี้มันมีมาทั้งแต่เกิดแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นสัจธรรม เป็นสิ่งที่น่าเห็นทัวเห็นไยเป็นความขยะแขยงเพื่อจะจําจัดปัดต่อให้มันผ่านพ้นไปได้เพื่อความภาพเปี่ยนของเรามีคติ ป, ปัญญาเป็นสาคัญเมื่อเรามีความเพลิดเพลินในความพอใจในตอนต้นแต่เราไม่พอใจในตอนตายเึ็นความเกิดเราพอใจความตายเราไม่พอใจมันก็ขัดแย้งกันไปวันยังค่าความขัดแย้งกันมันเป็นความสุขที่ไหนในหัวใจคนเรา ต้องเป็นความทุกข์อยู่โดยดีเพื่อให้ต้นกับปลายคงกันจึงต้องให้พิจารณาไปถึงตัดชาติปีเดีขาชะลาปิวขามานำไปทุก ข, ขังนตลอดสายไปเลยมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ทางแห่งความทุกข์เดินทั้งนั้นไม่ใช่ทางอะไรเดิ น, นเมื่อสรุปลงในการพิจารณารอบลู่ในสิ่งทั้งหลายนี้แล้วท่านกัลป์บุคคลนัตถิอาชาตัดเนี่ยทุกย่อมัมีแก่ผู้ไม่เกิดนาน เมื่อไม่เกิดมาแล้วมันจะมีทุกข์ที่ไหนคือเชื่อให้เกิดไม่มีเชื่อไม่เกิดให้เกิดไม่มีก็คือเชื่อแห่งทุกข์ไม่มีนั่นเองทุกข์ก็มีในหัวใจเพราะฉะนั้นพระหันท่านจึงไม่มีทุกขเวทนาภาณในจิตใจหรือว่าเวทนาอย่างนี้ท่านไม่มีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีภาณในจิตใจของพระหารันท่านไม่มีมีแต่จิตเพงพวกเราวกายพวกเราจ่วนกายท่านมี ท, ทุกเหมือนกันกับเราเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าจิตนั่นรับทราบไม่สามารถที่กระทบกระเทือนจิตใจท่านให้หวันไหวไปได้เหมือนจิตใจของผู้ปชนสุขท่านก็รู้ในส่วนร่างกายทุกท่านก็รู้เฉยๆท่านก็รู้แต่ทางด้านจิตใจของท่านไม่มีเรื่องเวทนาทั้งสามเพราะจิตนั่นพ้นไปจากเวทนาแล้วไม่มีอะไรจะเข้าไปแทรกซึงได้เลยเป็นธรรมนุ่นล้วน อนนีจังทุกขังตาที่เรียกว่าทุกขเวทนาก่อนนนี้จังทุกขงัตกกข ง, ต า, ขงตาสุขทวเวทนาก็เป็นในจังทุกขงังตาอุเบกขาเวทนาทกา็เป็นอาจารย์ตัวทุกขังตานี้จึงไปเข้าไปเกี่ยวข้องธรรมชาตินั้นไม่ได้เราอยากมีความเจริญพางาจิตใจคอยพยายามสร้างคุณงามความดีศีลทานอย่าได้ขาดเป็น ความดีขนมหล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่จะสื่อพบสื่อชาติต่อไปคนเราที่มีพื้นฐานอันดีด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไม่ว่าจะพบใดชาติใดก็ต้องมีความดีติดตามเสมอสุคติเสมอเป็นที่หวังได้เมื่อยังไม่พ้นจากความทุกข์ไม่ให้เจ็ดจคร้านพยายาม ถมีความสามารถที่จะเจริญเมตตาพรนาเพื่อส่องดูจิตใจของตนที่เต็มปเปด้วยความทุกข์ร้อนต่างๆนี่ก็ให้ทําไปอย่าได้ลดละขัดไปทุกวันขัดไปทุกวันจิตใจเมื่อรับการขัดเก่าอยู่เสมอย่อมมีความผ่องใสงจิตมีความผ่องใสแล้วย่อมจะเห็นเงาตัวเองเหมือนกับน้ำใสมองเห็นอะไรได้ชัดเจนจะ เป็นปลาเป็นน้ําหรือเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตามอยู่ในน้ํานั้นสามารถที่มองจะมองเห็นได้อย่างแท้จริงอะไรที่เป็นพิษเป็นพายอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจมีความสงบแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้รู้ได้ง่ายยิ่งกว่าจิตที่ขุ่นมัวไปด้วยพิเรอาศอสมวัตหรือความว้าวุ่นทั้งหลายเนีท่านจึงสอนให้ชำระจิตใจในพว่าที่ท่านรวมไว้ใน โอว่าปฏิโมกข์สัพปาปัสสะอักระนังการไม่ทำความชั่วทั้งหลายนั่นแหลประการหนึ่งกูจะสู้ประซึ่มประทายังกุศลให้ถึงพร้อมนั่นประการหนึ่งสจิฏตะประโยชน์ปัญญังการทํากิจให้ท่งแพร่ถึงความบริสุดนั้นประการหนึ่งเอกังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคํำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ย พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปชอบมองท่านให้ทําำพยายามทําตั้งแต่กุศลคุณ ง, งามความดีเพราะความฉลาดของตนกุศลสูตประสัมพทาคือยังความฉลาดให้ถึงพร้อม น, นั่นเองการทําติตให้มีความผ่องใสจนถึงขัน้นบอร์สุดนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากแต่อยู่ใน ความสามารถของมนุเราที่จะทำํำพระพุทธเจ้าก็ลําบากพระสาวกทั้งหลายท่านก็ลาบากมรนดาท่านพูดถึงความมือสุด ต, ต้องลําบากด้วยกันทั้งนั้นแต่ลําบากเพื่อความมือสุดเพื่อความดุจพ้นไม่ใช่ลําบากเพื่อความล่มจมจึงเป็นสิ่งที่น่าทํายึดเวลามีสิ่งสุกภกสมมติ ครอบงมอยู่มันก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรแม้ตัวของตัวเองก็ตำหนิติเตียนตัวได้บางทีอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายเะดีกว่าอย่างนี้ความอินนาละอาใจในความเป็นอยู่ทั้งหลายไม่อยากอยู่ในโลกในโลกเขาได้เห็นนี่เพราะจิตมันอับเฉาจิตมันขุ่นมัวมากจนกายเป็นไฟทั้งกองไม่น่าอยู่ เวลามันอับเฉาขนาดนั้นจิตเพราะสิ่งที่อับเฉาสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามันคอบจิตซจนมองหาสาระสาคัญของจิตไม่มีเลยจิงคิดอยากจะตายไปเห็นว่าจะดีตายไปแล้วมันก็ไม่ดีมันจะดีมาจากไหนปัจจุบันมันยังไม่ดีอยู่แล้วถ้าจะดีด้วยความตายโลกนี้ก็เคยตายมานานทําไมไม่เห็นดีมันไม่ดีนั่นเองถึงไม่อยากตายทามันดีแล้วตาย หรือไม่ตายมันก็มยู่ปัญหาอะไรถรามันดีอยู่แล้วขณะที่สิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยมาครอบงาจิตนัา้าจิตมันไร้สาระไปหมดแต่ เ, เมื่อแต่ชนะศาสาร์งออกโดยลำดับลาดับค่อยส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นประจักพานาจิตใจคือความสงบเย็นใจ อิจใจก็ผ่องใสสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือทําหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็มีความมืดมึนมันเถิงด้วยความสุขที่ปรากฏอยู่กับจิตใจของตนเองคนเราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็ยนใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็พออยู่ทั้งนั้นเนี่ยมันสําคัญอยู่ที่ใจถ้าหากใจไม่ดีอยู่ น, นั้นที่มันก็ไม่ดีที่นิ่งว่า จะดีที่นั่นว่าจะดีหลอกเจ้าของไปเรื่อยๆที่โน้นว่าจะดีชาตินี้ไม่ดีว่าชาติหน้าจะดีเป็นอยู่ไม่ดีว่าตายไปนี้จะดีมันหลอกไปเรื่อยๆผู้ที่ร้อนๆอยู่นี้แหละมันหลอกผู้ที่กุ้งดุมถูกกุ้งดุมอยู่ด้วยความรุนร้อนทั้งหลายมันหลอกเราานั่นก็ดีอันี่ก็ดีมันไม่ดีไปอยู่ที่ไหนก็เท่าเดิมเลยเพราะตัวนี้ไม่ดี จึงต้องแก้เพื่อให้ดีแก้โดยความเพียรของเราให้พยายามพิจารณากำจัดด้วยความเพียรทําสมาธิก็ให้มีความสงบได้บังคับบัญชาจิตในขณะที่ทําสมาธิภาวนาคือขณะที่บังคับจิตฝึกทรมานจิตไม่ใช่เป็นขณะที่จะปล่อยไปตามอําเภอใจของจิต ท่านจึงเรียกว่าความเพียรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นค่าสิท ต, ต่อใจจนใจได้รับความสงบขึ้นมาใจได้รับความสงบนั้นเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความต่อยไปตามใจเราควรจะเห็นผลด้วยเห็นคุณค่าของความเพียรนี้บ้างแล้วเพราะเรามีความสงบใจลงได้ด้วยความเพียร แล้วสงบลงไปได้เรื่อยๆเพราะความเพลินเพราะเพราะความเพียรเรื่อยๆเนี่ยคุณค่าของความเพียรก็ควรจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นตามคุณค่าของจิตที่เป็นผลออกมาจากความเพียรอ้าวพิจารณาทางด้านปัญญากับกําหนดพิจารณาไปให้เห็นชัดเจนแต่ตรองดูสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความจัดความจริงของมันที่มีอยู่ลนโลกทั้งหลายนี่โลกทั้ ง, งกว้างแสนกว้างอันหว่างนั้น แต่สิ่งที่มันคับแคบที่สุดก็คือหัวใจที่ติดตันด้วยกีเล็กมันคับแคบนั่งอยู่นอนอยู่ก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายคือมันแคบมันทับตัวเองเนี่ยแก้ตรงธรรมชาติที่มันแคบแคบไม่ออกให้จิตใจเลยรับความกว้างขวางเบิก บ, บานยิ้มแย้มแจ่นมายขึ้นมาภายในตัวจิตใจก็โลกเย็นสบายอ้าวที่นี้เราจะพิจารณาที่หนึ่งทุ อันก็มีกำลังที่พิจารณาพอใจที่พิาาเพราะทุกเป็นหินรับสติรับปัญญาให้มีความให้มีให้คมกล้าขึ้นเป็นลำดับตัดฟาดฟันกิเลส จ, จะอาสวะออกด้วยสมาธิประกันด้วยปัญญาถอดถอนกิเลสป็นถอดถอนด้วยปัญญาจาัดกิเลสมามัดไว้ด้วยสมาธิคือจิตสงบลงสมาธิก็รวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียว ไม่สราบออกไปในที่ต่างๆจนถึงกจับตัวไม่ได้ปัญญาคลี่คลายออกมาดูให้เห็นชัดเจนว่าจิตไี่มีความติดข้องพวกคนกับสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสหรือรูปเวทนาสัญญาสังา้งฐานงินญาณแยกแยะดูให้เห็นละเอียดถีท่วนตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่ค่ควรแล้วคว่วควรแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาแล้ว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 ทุกขเกันนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วใครๆก็กลัวคำว่าทุกเราจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรทุกทั้งกองเราจะมาถือเป็นเราหรือถือเป็นเราก็ถือเอาไฟมาเผาจิตใจของเราทุกให้ทราบมันเป็นทุกผู้ที่ทราบเป็นทุกไม่ใช่ทุกนั่นคือใจใจเป็นผู้รู้เรื่องทุกทั้งหลายทุกเกิดขึ้นใจก็รู้ทุกตั้งอยู่ใจก็รู้ทุกดับไปใจก็รู้รู้ด้วยปัญญา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 เป็นของเราถ้าว่านั้นเป็นเราทั้งเราเราก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาดิเพราะทุกเอพราะสัญญาจําได้แล้วดับไปจาได้แล้วดับไปเนี่ยความทุกข์ก็เกิดดับดับเราถือว่าเห็นั้นเป็นเราเราก็ต้องพอยให้เกิดเกิดดับดับรับความเดือดร้อนวัยไม่หยุดไม่ถอยทั้งทีงต้องพิจารณาให้เห็นสภาพที่เกิดที่ดับมีอยู่รอบใจของเราอยู่รอบตัวรอบตัวคือรอบขันหรือว่ารอบใจอื วิญญาณเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นมาตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่วันเกิดนุ่นเหนได้สาระอะไรจากมันพอรับทราบพับให้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็ดับไปพร้อมๆพร้มๆมๆแน่เอาอะไรมาเป็นสาระไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระรูปนั้นหรือเป็นตนเสียงหรือเป็นตนฟลิ่นรสเครื่องั้งถ่านนั้นหรือเป็นตนเฮืออะไรวิญญาณความความรับทราบ สิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสนั่นหรือเป็นตนมันรับทราบเพราะเพราะพราะเพแล้วดับไปพร้อมเพราะมันพรอมนั Noise. ่นหรือเป็นตนเป็นตัวอะไรความเกิดกับดับพร้อมไปถือเป็นตนเราจะเอาความนอนใจกับมันได้ยังไงมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเรายังไถือความเกิดความดับนันว่าเป็นตนแล้วก็ยุ่งไปวันยั่งค่ำ่อเคเพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับทั้งนั้นไม่ว่ารูปของเราไม่ว่าพฤฒนา ทุกทุกเชคเฉยไม่ว่าสัญญาสังขามิ ญ, ญาณมันนี่เกิดมีดับของมันเป็นประจําอยู่ทุกอย่างทุกอาการแล้วเราจะเปิดคว้าวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราอยู่ได้ยังไทงทั้งๆที่มันเกิดมันดับก็ทราบอย่างประจักษ์จึงต้องใช้ปัญญาพิจนาให้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของหมันผู้รู้ไม่ดับเอใจแท้ๆผู้ผู้รู้ผู้นี้ไม่ดับอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ผู้ที่รู้นี่ไม่ดับ ดับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปของเขาเช่นรูปเลธนาธรญญยาสัางขารวิญญาณนี้เป็นสภาวะธรรมท่านเรียกว่าเป็นใจ ล, ลักใร ล, ลักคือที่เจ้าทูกข้าตายจะมาถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรพอพิจารณาให้ถึงเตกถึงผลด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อาจจะประยึตถื อ, อแต่เวลามันพลิ้วมันนั้นหนามันไม่ได้เคยพิจารณาแล้วมัน มันไม่ทราบหรอกอ่าน อ, อายมันด้านของมันจะวางไงนี่แล้วพิจาาให้เห็นตามความินแล้วมันต่อยของมันเองต่อยออกโหนดถึงเวลาจะเป็นจะตายให้เอาอันนี้แหละเป็นสนามรบนะเออแต่พรอย่างยิ่งทุกเวทนานั่นแหละจะออกหน้าออกตาที่สุดในขณะจะแต่จะดับเอาทุกขเวทนานั่นแหละกับจิตนี่น่ะ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 เมื่อมีสติเราจะทราบทุกระยะระยะของทุกเวทนาที่เกิดผู้รู้มันไม่ได้ดับเราจะไปวิตกวิจารอะไรกับเวทานาซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตอาศัยธาตุขันเกิดขึ้นอาศัยกายเ ก, กิดขึ้นแต่ไม่ใช่กายมันเป็นเวทานาของมันเช่นทุกเวทนาเป็นต้นนี่มันเป็นคนละชิ้นละอันคนละอย่างอีูเช่นนั้นนี่คือความปีงนง่นล้วนเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเปรียวกับความจริงนี้แล้วเราก็สฉนกพิจารณา ทุกเวทนาทั้งหลายแต่พออย่ากยิ้มในวาระสุดท้ายเอากันให้เต็มเหนียวทีเดียวอะไรจะดับก่อนดับหลังให้มันรู้เพราะผู้รู้นี่จะรู้ตลอดสายจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างดับไปหมดผู้รู้นี่ก็ยังไม่ดับนี่แหละการพิจารณาถ้าเราได้เห็นเหตุเห็นผลกร็แค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นความอาจหานในเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันที ถึงค่าวจำเป็นนางอย่างนี้มันจะเตรียมท่ากันเลยเตรียมท่าและเตรียมท่าเป็นนักรบเข้าสู่สงครามระหว่างขันกับจิตพิจารณาด้วยปัญญาเอาปัสติปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหันแหลกลงให้ถึงความปิ่นแหลกลงไปไม่ไปถึงไหนถึงความจริ่นนะฟาดฟันลงไปก็คือฟาดฟันให้ลงให้ถึงความปิ่นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นความปิ่นหน้าราบไปหมด สงบไปหมดไม่มีอะไรจะมาก่อควรจิตใจอันใดที่จะมาก่อควรจิตใจอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าจิตยังยังยังไม่พิจารณาให้ถึงความกิงเต็มที่ได้ถ้าได้ถึงความกิงเต็มที่ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเหยมาแทนมายุมาควรจิตใจได้เป็นสภาพที่จริงทั่วๆกันไปหมดนั่นท่านเรียกว่าราบลงด้วยความจริงเพราะอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาเห็นชัดนี่แหละ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 ถ้าเรามีสติปัญญามีศรัทธาความเปลี่ยนมีความก ล, ากล้าสามารถตามหลักธรรมที่วตทรงสอนไว้พิจารณาจางไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละวือวตนเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้เอาให้ได้ที่พึ่งมันมีที่ไหนละ่ะพุทธังคะนงังกระฉามิกระเทือนอยู่พนาน จ, จิตใจนั่นอยู่ที่ไหน ทำมังสะนังกระฉามนี้กระเทือนที่จิตใจสร้างคังสะนังกระฉามนี้กระเทือนอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นรวมเป็นภาชนะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมในจิตดวงเดียวนี้เพงาว่าจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายเอาให้เห็นแล้วแต่พราะยังยิ่งจิตทั้งดวงดีแต่คือธรรมทั้งดวงขอให้ทําหน้าจิตนี้ยิ่งหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็ยิ่ง พุโธัมโมสังโฆไม่ทราจะไปถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติแห่งความรู้ตัวเองที่แสดงความสมบูรณ์อยู่เต็มที่แล้วก็ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าถ้าธรรมประสงค์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้เป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี้่ผลแห่งการปฏิบัติกำจัด กิเลสอาสวะของตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่ามีราคามีแต่ขี้เป็นหัวใจคือขี้โลขี้โกรธขี้หลงทำละขี้นี่ออกโดยลําดับลําดับเมื่อหมดของปะกะปกนี้แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายอยู่ไหนก็สบายธรรม น, นิทานนางตรามังสนงูนย่างอะไรสูนมันก็รู้เอง อะไรยังอยู่เขรู้ฮนะใครจะไปรู้ยิ่งยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเดสแล้วเขาคําว่านิพพานังปรมังสุญญ์ยังนี้ท่านพูด่ออกมาจากความที่ผู้สิ้นกิเดศแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุทธเจ้าเนะี่ยพวกเราไม่เห็นว่าอะไรเมืนอก่อนอย่างนั้นแล้วพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี้คําว่านิพพานังปรมังสุญญงจะไม่มีปัญหาเลยเลย แต่ดต้งอยู่กับใจแล้วว่าอันใดสูนอันใดอย่างนิพพานังปรมังสุขขังตังที่คำว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความเมื่อสุด ข, ของใจรุนรวนยิ่งไม่มีการที่ทำที่ว่าเกิดที่ว่าดับเหมือนทุกเวทนาทั้งหลายมีทุกขเวทนาเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ไตรลักษ ประมังสุ ข, ขังที่ประจําจิตบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สุขที่เป็นไตรลักษไม่ใช่สุขที่เป็นทุก ข, ขังจากน้าตายเจึงไม่มีความแปรสภาพคงเส้นคงวาแต่ น, นี่พานเที่ยงอะไรเที่ยงจิตบริสุทธิ์ที่เท่านั้นเที่ยงเอาให้เห็นเอาให้รู้มีอยู่กับทุกคนะการแสดงธรรมเห็นสมควรอวิามยุติงนี้